เท่าพรวิทยากรในมหาสมาคมนี้สงมีท่านเจ้าะจะูุณระเิ้าชีวีผู้ในการสึกษาวาัตัุศาสตร์ดราของมหาวิทยาลัยมหาเรา ศาสนาก็คำในึุญถึงสองเรื่องหนึ่งอัตตาขีตสมบัติความพร้อมส่วนตัวของท่านและสองปรากิตัปฏิบัติเมื่อพร้อมแล้วท่านจะทำประโยชน์อะไรต่อไปบางรูปเอาแต่อัตตาขิตัสมบัติ คือพัฒ น, นาความพร้อมส่วนตัวไม่ได้ออกไปทำงานช่วยคนอื่นบางรูปเอาแต่ปฏิบัติช่วยคนอื่นแต่ตัวเองไม่พัฒ น, นาฉะนั้นถ้าท่านอยากจะประสบความสำเร็จท่านต้องทำทั้งสองทำในส่วน เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองแล้วก็ทาหน้าที่เพื่อคนอื่นด้วยถ้าทำได้ทั้งสองเราเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่นี่ยี่สิบแปดพระองค์ดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ย จะต่างจากพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้ามีความพร้อมส่วนตนแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อคนอื่นจึงได้เป็นแค่ปัจเจกับพุทธเจ้าเราแปลว่าไซเลนส์บุตรา พระพุทธเจ้าที่ไม่ค่อยได้สอนเยี่ยบเยียม เ, ยเยดิตนตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพัฒ น, นาตัวเองด้วยสอนคนอื่นด้วยในขณะที่เราพัฒ น, นาตัวเองเรายังไม่สำเร็จเป้าหมายสูงสุดแต่ก็อาศัยการช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละ เป็นการชำระตนเองพัฒนาตนเองไปในตัวเราเรียกผู้ที่เดินตามเส้นทางนี้ว่าพระโพธิสัตว์มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดโดยอาศัยเส้นทางของกัรุณาการบรรลุเป้าหมายสูงสุดต้องอาศัยปัญญา แต่ในการที่จะได้ปัญญาเนี่ยต้องช่วยคนอื่นด้วยกัรนะุณยในมหายาจึงยกธรรมะสองประการนี้สำคัญพอๆกันปัญญาคู่กับการุณยปัญญาก็คือวิสัญญ การโุนานก็คือควมเพเเขาถือสองเรื่องเป็นสำคัญไหนๆก็พูดในมหาวิหารที่มีพุทธเจ้าจำนวนมากมีพุ ท, พทธพุทธรูปเล็กๆ เ, กเนี่ยเป็นหมื่นๆองค์ในในวิหารมหาวิหารทั้งภายนอกภายใน ก็จะอธิบายว่าพระพุทธเจ้าคือเป้าหมายสูงสุดเส้นทางไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาการนะุณาแต่ถ้าเป็นปัจเจกับพุทธะัการุณ า, าจะอ่อนลงหน่อยเพราะไม่ไม่ได้ตั้งบรริธานที่จะช่วยสัรนสะท้า เน้นปัญญาพระโพธิสัตว์ของฝ่ายเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติทั้งสองสายจนจนพร้อมที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าขยายอีกหน่อยในมหายหา พราโพธิสัตว์บางประเภทเน้นกันรรุนาเป็นหลักเช่นอวโลกิเตสวนซึ่งในจีนเรียกว่าควรอินควรอิมมอนอวโลกิเตสวนก็คืออิสระผู้ยิ่งใหญ่อิสวนเนี่ยที่มองลงอวโลกะ มองดูสรรพสัตว์ที่กำลังประสบทุกข์แล้วอาศัยกรุณามาช่วยให้หายทุกข์เขาเรียกเอาว่าโลกิเตส่วนเป็นพระโพธิสัตว์มหาอยา่างแต่ในประเทศเทราวาท น, นับถือในลัง ก, กาก็นับถือในประเทศไทยในภาคใต้เราพบ รูปอวโลกิเตส่วนที่แข็งขันที่ชายาท่านเพือท่านก็จะมาทำเป็นภาพอยู่ข้างหลังเวลาท่านนั่งเทศอวโลกิเตสวนมองดูสรรพสัตว์ ท, ท, ท, ท, ที่มีความคุ่งและช่วยเหลือและอวะโลกิเตสวนเนี่ยแบ่งภาพมาเกิดได้มาเกิดเป็นผู้หญิงชื่โผล่ยิม ในจีนช่วยคนที่กำลังมีความทุกข์ทีนี้ทำไมแบ่งภาคได้เราต้องทราบว่าในมหายานพระโพธิสัตว์มีสองประเภทพระโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบารมีเนี่ยเ ห, เหมือนกับมหาชนกของเราอย่างนี้เป็นมนุษย์พโพธิสัตว์ บำเพ็ญประโยชน์สองอย่างหนึ่งประโยชน์ตนสองประโยชน์คนอื่นไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเป็นอวโลกินเดสวนโทธิสัต์เป็นเทพไม่ใช่มนุษย์ที่กำลังบำเพ็ญบารมีแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะต้องไปเป็นพุทธเจ้าจึงแก่นิพาน ท่านไม่ยอมเป็นผู้เจ้าเพื่อเหมือนกับเข้าสู่พระนิพพานขอเป็นครโพธิสัตว์ช่วยสัทธรร์ทั่วจักรวาลตราบใดที่ยังมีคนที่มีความทุกข์เหลืออยู่ยังจะไม่เข้านิาพพานเราจะได้ยินประโยคนี้จะช่วยสัสธรร์ไปเรื่อย ถ้าในนรกยังมีสัตว์นรกอยู่พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ก็จะลงไปในรกไปช่วยดับไฟนรกให้คนหลุดพ้นเราฟังอย่างนี้เราจะไม่เข้าใจฝ่ า, ายมยหาญาณเขาสอนอย่างนี้แต่ถ้าเทียบกับของเราตอนเป็นมหาชนกตอนเป็นพระเวสสันดรเนี่ยเป็นมนุษย์ แล้วไปเกิดบนสวรรค์ชาติสุดท้ายสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะจติมาเป็นพระสิทธิพัธ์ตอนนั้นเป็นมหาเทพอทั้งบดนแล้วก็รออยู่เมื่อถึงความพร้อมก็จะลงมาโปรดสัรพสัตเป็นพระพุทธเจ้าโคตมกของเรา ไฟเซราวาเราสอนแค่นี้ถามท่านทั้งหลายเราจัดเทพมรหาชาติกันทุกวันนี้คาถาพันเราบูชาคาถาพันด้วยของสิ่งละพันเพื่ออะไรทำไมต้องอย่างละพัน รวมถึงแม้กระทั่งดอกไม้ผู้เพียนก็เพราะว่าพระมาลัยเทวเถนท่านถอดจิตขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์ไปไหว้พระเจดียจุลามณีเจดียจุลามณีอยู่ที่ไหน เจดีจุลามารีอยู่เหนือยอดเขาพระสุมิรุหรือพระสุมินยอดเขาพระสุมินเนี่ยมันจะมีสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์อยู่โลกหรือจั ก, กรวาลของเราเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่เป็นเขาที่สูงที่สุดเรียกว่าเขาพระสิเนรุ หรือพระสุเมนในภาษาบาลีซิเนรุเขาพระสุเมนเนี่ยเป็นแกนกลางจักรวาลแล้วสี่มุมของเขาพระสุเมเนีจะมีทวีปทั้งสี่ปกพัพวิเทหกุตระกุรุทวีปชมภูทวีปเป็นต้นสี่มุมและตรงกลางเนี่ย เป็นเขาสูงที่สุดในโลกมนุษย์เรียกว่าเขาพระสุเมนเหนือเขาพระสุเมนมีสวรรค์ชั้นดาวดกที่พระมาลายขึ้นไปทีนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าเขาพระสุเมน ร, รูปร่างหน้าตาเป็นยางไรก็คือยอดหรือหลังคามหาวิหารนี่แหละเขาเรียกพระปราง อาคานี้เป็นมีหลังคาใช่ไหมแล้วเหนือลังคาเนี่ยมีพระปรางแล้วก็มีพระปรางพระปรางประานอยู่ตรงกลางแล้วก็บริวารสี่มุมแทนทวีปทั้งสีตรงกลางคือเขาพระสุเมรุตรงนี้คือศูนย์กลางจั ก, กรวาล คติการสร้างเขาปรางยอดเขาพระสุเมนคือสวรรค์ชั้นดาวเร้นฉะนั้นคนที่ตายเนี่ยเขาจึงให้ขึ้นเมนคือไปยอดเขาพระสุเมนเพื่อกราบพระเจดีย์จุลามณี พระเจดีย์จุฬามณีเพราะฉะนั้นในงานถวายพระเพลินพระบรมศพในหลวงราชการที่9จึงสร้างพระสุรมนร์อยู่ที่สนามหลวงแล้วเหมือนกับว่าผู้จากไปเนี่ยขึ้นสวรรค์สเสด็จสู่สวรรค์ขาไลนี่เป็นคติของเรา จึงต้องรู้ไว้ว่าทำไมเจดีย์เขาพระสุเมรเพราะยอดเหนือยอดเขาพระสุเมนเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วทำไมต้องไปสวรรค์ชั้นดาวดึงคนตายเขาจะผูกมัดราสัไในมีดอกไม้เสียไปเอาดอกไม้เนี่ยขึ้นไปบุชาพระเจดีย์จุรามณีซึ่งบรรจุธาตุสององค์ 1. พระเกศาธาตุของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าออกขันวดเนี่ยตัดสงครั้งแรกเนพระเกศาธาตุไม่ได้ตกลงพื้นนีพระอินเอาถาดทองเนี่ยรองรับไปไว้บนพระเจดียจุฬามณีเมื่อถาวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าเสร็จมีการแบ่งภาษาลิกิตา โดยโทนครามแปดส่วนแปดธนาพระสารีนิกขาที่โทนครามแอบซ่อนเอาไว้ให้ตัวเองเนี่ยมีหนึ่งองค์คือพระธาตเทีขเข่ยวกแก้วพระเที่ยวกแก้วของพระเจ้ามีสี่องค์นองค์หนึ่งพญานาคเอาไป องค์ที่สองเออมีมีอย่างนี้มีเก็บไว้ในหน้าคคือพบแล้วก็เทวดาเอาไปองค์หนึ่งคือโพนารามเนี่ยซ่อนไว้ในมวยผมตอนแบ่งพระสาลินิกขาศัตริย์แปดคนะพระเอ็นมันก็สมยัยขโมยเอาไปต่อเลยอะ่ะ ไปไว้บนเจดีจุฬามณีส่วนอีกสององค์อยู่ในโลกมนุษย์กล่าวกันว่าองค์หนึ่งอยู่ที่สีรักาพระพทธเจ้าเกลียวแก้วอีกองค์หนึ่งบอกว่าอยู่ที่เมืองจีนและก็มีองค์ที่สามไปครูที่สิงคโปร์อาจจะมีองค์ที่สี่มาอยู่เมืองไทยไปขโมยพระอินมา เฉพาะที่สีหลังกายอยู่มาตั้งแต่สมัยพระพุทธโคสสาจารก์ที่วัดพระธาตเจียบแก้วอยู่ที่หลังกามาห้าปีเขาจะเปิดให้คนได้ชมครั้งหนึ่งยาเอาเป็นกิโลนะครับแต่ผมโชคดีได้ไปอยู่ตอนที่เขาเปิด เพราะไปจัดประชุมวิสาขาโลกอยู่ปีนึงให้ไปดูข้างในตอนเปิดเจ็ดชั้นนะท่านถือกุญแจเันโครระดอกสองดอกทองคำาบบอาออกจนินท่านเหลือสุดท้ายชั้นที่เจ็ดเป็นกระป๋องฟองไข่ท่เนี้หมุนออกมาั้าไในเป็นพระ่าเคียนแก้วขานาดนี้ผมกำลังดูเพลินๆบรรณาธิกา ม, มาแหละแสง ขบลล ม, มาไหวถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากส่วนของจีนเนี่ยเคยนำมาให้คนไหวที่พุทธมณฑลอยู่ที่วัดหลิงผัวลักษณะคนละแบบลังตาเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องพระธาตุเขียวแกวอยู่บนสวรรค์พระมาลัยจะเข้าฌาน ไปไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้วการรังไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้วอยู่เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ลงมาไหว้ะท้องเลยคือพระศรีอาริยะเมตไตรงลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตท่านไปดูในประวัติพระมาลัยลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต มานมัส ก, การพระธาตุเที่ยวแก้วรัศมีรุ่งเรืองมากได้สนทนากับภมรภมลัยพระมลัยก็ถามว่าถ้าอุบาสถ้าญาติโยมในโลกมนุษย์ปลายขนาจะได้ทันเห็นาศาสนาพระศรีอานจะต้องทำอะไรบ้าง พระบาลัยและพระอริยะเมตไัยก็ตอบว่าต้องฟังเทศมหาชาติคาถาพันให้จบในวันเดียวหนึ่งพันพระคาถาบูชาด้วยของสิ่งละพันและอธิษฐานว่าจะได้พบโยมคือตัวพรกอท่านก็จะได้ไปเกิดในาศาสนาพระศรีอานี่เป็นตำนานของฝ่ายเถระว่า แต่ไฟวิหานาขยายว่าพระโพธิสัตว์ที่ไปอยู่บนสวรรค์อย่างพระศรีอารแต่เขามีพระโพธิสัตว์เยอะพระพุทธเจ้าหลายพระองค์พระอมิตาภะพร ะ, ะอะไรต่างๆเนี่ยแต่และองค์แต่และองค์ก็มีสวรรค์เป็นของตัวเองไม่ใช่ชั้นทุสิตเนี่ยอย่างพระอมิตาภะก็อยู่ในสวรรค์สุขาวดีพุทธเ ก, กษตรมีพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์ อย่างพระศีอานเนี่ยแหละแล้วพระโพชิสัตว์อย่างพระโอรสโิตเตศวรก็อยู่บนบุทธาเกษกันไม่ยอมตัดสรุและไม่ได้อยู่เฉยๆตอนที่ยังไม่ได้จุติมาเป็นพรธเจ้าก็แบ่งภาคลงมาช่วยสรรพสัตว์มาเป็นกวลมินมาเป็นใครต่อใครเนี่ยเรียนแบบพระนารายณ์อวตาร เป็นพุทธศาสนาสมัยหลักสู้กับศาสนากลางนิ้ฉะนั้นคนอินเดียก็ไปหาพระนารายณ์หมดนารายณ์นารายณ์เพราะว่าพระนารายณ์แบ่งภาคมาจากสวรรัสด์มาเป็นพระรามมาเป็นใครต่อใครอ่ะแล้วพระพุทธศาสนาเราตัดสรู้อยู่ตรงนั้นเหรือไม่ใช่เบงภาคมาอาจจะมานั่งอยู่แถวนี้เลย เป็นพระก่อ น, นี้เป็นอะไรก็มีมาช่วยขนสัรรพสัตว์ให้เข้ า, น, านิพพานพอสัตว์สุดท้ายเข้ า, น, านิพพานจึงจักเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้านิพพานตะนี่แหละความหมายก็อย่างนี้ที่จริงก็คือขยายความคิดของเราเนี่ยแหละคำสอนของป่ายเถร ว, วาส เ, เอาเป็แข่งกับศาสนาพราหมณ์ทีนี้เมื่อ เป็นพระโพธิสัตว์แบบนี้เขาเรียกโพธิสัตว์แบบเทพก็แบบหนึ่งพระโพธิสัตว์ที่มาเป็นมนุษย์บาเพ็ญบารมีสี่อาศัยอาศงขายกําไรแสนกับแบบของเราก็อย่างหนึ่ ง, งมหายานมีทั้งสองอย่างเวลาที่พูดถึงพวกท่านเราไม่ได้ทําแบบพระโพธิสัตว์เราไม่ได้คิดที่จะ ไปช่วยสรรพสัตว์และก็ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ประสมเป็นสัมมาสัพพุทธะไม่ใช่ปัจเจ ก, กับพุทธะเราประสมเป็นอนุพุทธะในฝ่ายเทรวาเนี่ยอนุพุทธะก็เหมือนกับพระสารีบุตรคมบอกสลาตัดสรุ้ตามพระพุทธเจ้าที่ดำเนินไปแล้วสอนสอนพวกเรา นี่คือเป้าหมายแต่ในการเป็นอนุพุทธะเดินตามรอยพระเจ้ามันก็จะต้องมีเส้นทางของปัญญาและกรุณาเพราะพระพุทธเจ้าของเรามีปัญญาและกรุณาผสมกันอย่างพระเวิลณ์ด อ, ดอกรุณาชัดเจนมากการที่เดินในเส้นทางของเถรวาทไม่ใช่เอาตัวรอดคนเดียว อย่างที่มหายาณเคยกล่าวหาเราเราปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยและในการปฏิบัตินั้นมีการช่วยเหลือคนอื่นไปในสู่เส้นทางธรรมะด้วยฉะนั้นการที่ท่านจะไปสู่ความหลุดพ้นท่านจะต้องมีอาาัตตาอิตสมบัติการช่วยเหลือคนอื่นจะต้องมีปาระอิตั ปติบัติบำเพ็ญประโยชน์เรื่อคนอื่นพูดไงๆยูยูจะมาเป็นวิทยากรเนี่ยของมหาจุฬาคัดอย่างไรมีความรู้ขั้นต่ำอย่างไรเราก็้องบอกไว้ท่านจะต้องจบนักคำหรือจบปริญญานี่คือคุณสมบัติส่วนตัวท่าน อัตตาอิตตสมบัติถ้าท่านไม่รู้บาลีหรือไม่รู้นักธรรมท่านจะสอนสาศาสนาได้อย่างไรถ้าท่านไม่รู้ว่าสัาแสงภะตรตนาจัยมีอะไรบ้างเพราะไม่เคยเรียนนะว่าบกว่าพระพุทธพระธรรมพระสบ์ท่านจะไปสอนโดยอาศัยภาพใิมิตปฏิบัติรูปเรียว วิปัสนาธุระรูปเดียวอมันก็ไม่รู้ว่าศาสนาไหนฉะนั้นการสอนศาสนาจะต้องมีคันถธุระเป็นพื้นฐานเหมือนกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม, มิฉะนั้นท่านสื่อไม่รู้เรื่องพูดกันคนละศาสนา คันธุระคือการเรียนทฤษฎีการเรียนธรรมะเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระธรมดีตรงนี้เป็นคุณสมบัติส่วนตนของท่านถ้าท่านจะสอนกรรมฐานเด็กเยาวชนท่านก็จะต้องมีประสบการณ์ในการฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานนี่ก็เป็นอัตตาอีตะส่วนตนประโยชน์ตนของท่าน แล้วท่านจึงออกมาสอนการออกมาสอนด้วยเจตเจนตนาจะช่วยเหลือก็เลจึงทําให้ท่านมาสมัครเป็นวิทยากรถ้าท่านไม่คิดเผยแผ่ธรรมะที่ท่านพบท่านก็ไม่ต้องออกมาอยู่เป็นปัจเจกุลิเจ้จากระไรแต่ถ้าท่านจะนําประสบการณ์ที่ท่านฝนกผ่าปฏิบัติได้ดีดดดดเลยนะเอาไปสอนเด็ก ท่านก็นจะต้องมีเทคนิคในการสอนในการเผยแผรมีวิธีการซึ่งหลักสูตรนี้เขาก็จะสอนท่านแต่ถ้าจะต้องมีอะไรดีอยู่บ้านมันจะจากไปให้คนอื่นได้ถ้าเราไม่มีของดีเราเอาอะไรไปแจกครับจากประสบการณ์ที่เราปฏิบัติบวกกับการเรียนกัน ตึกสาธรรมะทำให้ท่านมีอัตตาอิตาสมบัติมีปัญญาแล้วท่านก็นำสิ่งที่ท่านมีนี่แหละไปแจกจ่ายเหมือนจุดเทียนครับโลกนี้มันมีอวิชชาของหุ้มมีแต่ความมืดเราจะต้องเอาแสงแห่งปัญญาไปไล่ความมืดแล้วถ้าท่านไม่มีแสงของปัญญา ท่านจะเอาอะไรเป็นแก่นครับแสงของปัญญาจะมาจากที่ท่านฝึกปฏิบัติแต่ก็ต้องอธิบายด้วยคำสอนสับแสงธรรมะการฝึกปฏิบัติของท่านเป็นวิปัสสนาธุระการสอนต้องอาศัยคันฉาธุระและนี่แหละที่มหาจุราทาไมต้องให้พระเรียนภาษาอังกฤษในคณะมนุษย์ เพราะจะไปสอนฝรัง่งเราไม่รู้ภาษาของเขาสอนไม่ได้ตอนนี้ส่งพระธรรมทูตไปอเมริกาเนี่ยเฉพาะอเมริกานะครับมีหนึจงจ่งร้อยวัดจบจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉเฉลียววัดละห้ารูปห้าร้อยรูปนะครับผลิตสงต่งไปเนี่ย ไม่ทันใช้โดยเฉพาะสายกรรมฐานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชนวงค์ท่านเปิดหลักสูตรปริญญาโทรกรรมฐานที่พุทธโคต ร, รนครปฐมจบมาแล้วรู้ภาษาอังกฤษส่งไปสอนกรรมฐานต่างประเทศผลิตไม่พอใช้ไม่ทันใช้ เพราะท่านมีอัตต า, ากิตาสมบัติในการฝึกสอบมีประสบการณ์มีการความรู้ในวิชาครูในการสอนต่างประเทศต้องการถ้าใครอยากจะไปสอนต่างประเทศไปเรียนหลักสูตรปริญญาโทวิปัสสนาภาวนาของมหาจุฬา มีภาคบังคับคือนั่งกรรมฐานเจเดือนนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วมาเขียนสารานิพนธ์จงจะได้ปริญญาโทของมหาจุราแล้วไปสอนในทั่วโลกตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นการันตีคำ้ำประกันว่าท่านสอนได้เป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ประสบการณ์ท่านก็มีในการปฏิบัติ ฉะนั้นการจะเผยแผ่ท่านจะต้องมีอัตตาหิตะสมบัติความพร้อมส่วนตนปราชิตะปฏิบัติเอือ้อคิดเอือ้อทาประโยชน์แก่ผู้อื่นตรงที่ท่านมีความพร้อมส่วนตนเนี่ยฝึกกรรมฐานเรียกว่าวิปัสสนาธุระเรียนความรู้ใหม่ว่าจะเป็นบาลีนักธรรมมหาวิลยัยสง เป็นคันถาธุระแต่ยังไม่ได้สอนเรียนแค่ตายจบประโยคเกา้าได้คันถาธุระหลวงพ่อเจ้าวาสทรงไปเรียนวิปัสนาธุระที่พมา่าได้ประสบการณ์ตรงมาก็ยังเป็น อาารย์ิทธสมบัติภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแต่ยังไม่มีปรัชาิตธปัตุบัติพอกลับมาได้เปิดสอนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุคนมาเรียนกันเตึมเลยในช่วงพศออ25060ปีมาแล้ววิหารคตวัดมหาธาตุไม่ว่างเลยเต็ไมไปหมด จากที่อยู่ๆคนไม่ค่อยสนใจกรรมฐานแล้วมาเรียนกันทับทั้งเพราะอะไรเพราะผู้สอนเป็นสุดยอดของทันถาธุรกจบปริญญาธรรมก้าประโยคและไปปฏิบัติวิปัสสนาธุรกมาจากพระมหามหาศรีสยาดอดโดยตรงท่านก็มาสอน กรรมฐานซึ่งมีฐานบนตั้งอยู่บนสติฐานสิทธิำให้กรรมฐานแนวนี้ขยายไปทั่วประเทศมหาจุฬาก็ออกมาเป็นแบบในการสอนสถาบันวิปัสสนาจุฬาก็เดินตามรอยปฏิัทาการสอนของท่านพระธรมรมมีราชมหามุนีโชโดก แต่คนจะจำกันใน ส, สมรรษากว่าราชเทวน า, นาว่าพระเทพสิทธิธบุนีโชโดกและก็มีผู้เดินตามรอยนี่เป็นราชสิทธิน่ยสิราชสิทธิทธบุนีต่อไปมันจะชื่ออะไรก็แนวๆนวนี้หละเห็นไหมประโยคเก้าเดือนผสมคันธะธุรัวิปัสสนาธุรั สื่อให้คนทั่วไปฟังรู้เรื่องฝรั่งก็ฟังรู้เรื่องสอนได้ทุกปีต้องมาลาอธิการบดีไปไปสอนฝรัง่งครับเดี๋ยวมาแนละ้ว <c oughs> พระราชสิทธิบดีประธานผู้บริการสถาบันวิปัสนานะมีหนังสืออาราธนาจากยุโรปนะ เป็นสิบปีแนละ้วไม่เปลี่ยนเลยนะเพราะองค์นี้สอนดีสอนเป็นภาษาฝราั่งนี่ท่านไม่คุยหรอกแต่ผมพูดได้ก็เพราะว่าท่านมีท่านสองอย่างแต่พวกเราไม่ได้คิดว่าจะไปวิ่งทับสมัมปทานหรือเมือง น, นอกใช่ไหมละ่ะ สอนเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเลยสอนอย่างไ น, นโดยเฉพาะในการที่เรามีคันธุรักแล้วโจมนักทันก็ได้ละบาลีกด็ดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ยิ่งดีอย่างเพราะเทียบกับศาสตร์สมัยใหม่แล้วท่านก็มีประสบการณ์ในการปฏินนบัติวิปัสนากรรมฐาน ท่านมีสองอย่างแต่มังท่านมีสองอย่างแล้วก็ไม่ทำอะไรเพราะขาดธุระที่สามผมเพิ่มไปอีกหนึ่งธุระอันตร์ที่ต่างสมบัติมีสองธุระคือสมถทากับวิปัสสนาโทษคันขาดธุระกับวิปัสสนาธุระแต่พอมีความร้องแล้วท่านก็ทาธุระที่สามเรียกว่าสังขะธุระ <fo> การส่งเผราะห์ให้คนอื่นได้ความรู้ได้ประสบการณ์ในการเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะเหมือนท่านถ้าเรียนธรรมะในการเทศการสอนก็เราก็ดิสพันธธุระเอาเป็นทการส่งเคราะห์สังคหรธุระ ถ, ถ้าท่านสอนกรรมฐ า, านท่านก็เอาวิปัสสนาเป็นฐานแต่ ท่านผ่าก็ต้องอยู่ในนั้นบรรยายกรรมฐานการทำหน้าที่ของท่านสอนแก่พระหัส ญ, ญาิโยมเรียกว่าการส่งเคราะห์อนุเคราะห์ดังพระบาลีว่าสาคาราอนาคาราจอุโพอัญโยนยานิสิตา สาขาลาก็คือผู้ครองเรือนคารื้อนาคาราก็คืออนาคาริกก็คือบรรพชิตรอุโพอันโยนยานิสิตาต่างพึ่งพิงอาศัยกันทั้งสองฝ่ายนี้ต่างพึ่งพิงอาศัยกันและกันโดยบรรพชิตฝ่ายเดียวไม่ ได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์จากคฤหัสก็อยู่ไม่ได้คฤหัสไม่ได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์จากบรรพชิษก็อยู่ไม่ได้พึ่งกันพิงกันไหมสองอันตึงกันหม้ยครับจะลบพิงกันด้วยการสงเคราะห์อะไ ร, รคฤหัสถสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรฑ์พชิษด้วย มิสสถานการถวายจะตกัจสี่บรรพชิตสงเคราะห์อนุเคราะห์คารืดด้วยธรรมทานในพระสูตรนี้เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้เลยว่าเราที่เป็นบรรพชิตเนี่ยนะต้องสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยธรรมทาน ธรรมาทานคือสอนธรรมะไม่ว่าจะเป็นปริยัตหรือปฏิบัติก็ได้ให้เขาได้ประโยชน์จากบรรพชิตตรงนี้และเมื่อได้รับการสอนธรรมะจากบรรพชิตก็อนุเคราะห์พระนหารก็เลยส่งเคราะห์บูชาด้วยอาวิสถา อาคารที่เรามานั่งบรรยายเนี่ยอลังการงดงานเพราะทฤหัสได้ถวายอาภิสทธฐานคือจะตกบัจจัยเงินทองสร้างขึ้มนมาสร้างขึ้นมาโดยไม่มีมาเรามาบรรยายทำมาให้ธรรมทานมันก็แค่อาคารหลังหนึ่งไม่ใช่มหาวิหารแพงแสนแพงก็ไม่ได้มีแก่น ของวามเป็นมหาวิหารแต่พอเรามาบรรยายธรรมะมาพูดกันวันนี้เนี่ยเหมือนกับมาปลุกเสกให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทนีเป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายมิฉะน้นอาคารที่แพ ง, งแสนแพงนี้มันก็เป็นแท่อาคารเป็นอามมิสสถาน แต่เพราะท่านท้งหลายได้มาใช้ศึกษาปฏิบัติธรรมเท่ากับให้ธรรมทานเนี่ยจารึกอยู่ตรงนี้ผมก็มีส่วนร่วมมาให้ธรรมทานตรงนี้และนี่เป็นการยืนยันที่พระเจ้าว่าตรัสว่าคารืหักและบรรพชิตต่างอาศัยซึ่งกันและกัน ฝ่ายพวกเราบรรพชิตต้องให้การสงเคราะห์ด้วยธรรมทานผมเรียกว่าสังคหธุระสังฆาธุระนี่เราไปมองเป็นงานสาธารณะสงเคราะห์นะในงานบกด้านของคณะสงฆ์อนะปกครองาศาสนศึกษาเรียนบาลีนักธรรมศนะึกษาสมเคราะห์เห็นไหม เผยแผ่สนุปการเท่าน่าสมคบเนี่เราไปนึ ก, กสื่อสารสมคบคือให้ทุนการศึกษสารนั่นมันอามิสสถานนะท่านเรานึกถึงเวลาน้าท่วมไฟไหมเอาของไปแจก น, นั่นมันอามิสสถานเอ้าแล้วมันไม่ผิดเหรอทำไมไม่เอาธรรมทานไปให้อ่ะตอนน้ำท่วมไฟไหม เขาก็จะไล้ไล่ห้ากรมวัดตัวนี้คนไม่มีจะกินน่ะบ้านก็ไม่มีจะอยู่ ย, งยางจะมาเทศเปล่าๆปาอยู่เนี่ยตอนนั้นเราต้องให้อามิสถานเพื่อให้เขาได้พึ่งตัวเองแล้วสามารถฝังธรรมะได้เหมือนตอนที่พระเจ้าไปเทศโปรดชาวนาในธรรมบทเน่ชาวนาหิวข้าวเพราะไปตามมัวอยู่ พอมาถึงที่ที่พระเจ้าจะเทศพระเจ้าล้อเขาเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวยังไม่มาเขาดึงถวายทานรอฟังเทศพระเจ้าไม่เทศรอให้ชาวนาที่บัวหายมาถึงเวอร์โสมหนิวโศพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เทศแล้วก็บอกกับเจ้าภาคว่าช่วยเลี้ยงอาหารชาวนาคนนี้หน่อยเป็นลูกศิษย์ละ ชาวนาพอได้ทานอาหารดื่มน้ำสบายสำราญแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศชาวนาคนนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อพระพุทธเจ้ากลับมาที่วัดพักก็ตั้งวงวิจารว่าทำไมพระพุทธเจ้าทำปแปลกๆจะเทศแล้วมีการแจกของด้วยสงเคราะห์อามิสทานทำไมไม่ให้ธรรมทานทันที พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาที่หอประชุมธรรมสภาก็ถามเป็นภาษาบาลีประโยคแบบใครจะสอบประโยคสองอจะแตกประโยคสี่เลยต้องท่องไว้แล้วเราก็แปลกันจนติดปากกายนุษฐาภิกขเ ว, เ, ว, เ, ว, เ, ว, เ, วเอตถะกายนุษฐาภิกขเวเอตระการทายัทสังนิสินานภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอนั่งสนทนากันวยเรื่องอะไรพระ ก, ก็จะกาบคุณว่านินทาพระพุทธเจ้าที่ไปแจกของอาวิสถานวันนี้ทำไมไม่ให้ธรรมทานทันทีพระพุทธเจ้าก็บอกพวกเธอไม่รู้อะไรเราดั้นด้นเดินไปที่นั่นเพื่อไปโปรดชาวนาะคนนี้โดยเฉพาะ แล้ววันนั้นก็วัววันนี้หัวเขาหายเขาหิวกว่าจะเจอหัวเอาไปไว้ในข้อมาฟังเทศเนี่ยเขาก็หิวโซแล้วไม่ได้กินข้าวคนหิวเนี่ยหูมันอืด น, นะเสียงไม่เข้านะหลับหูหลับตาเทศอะไรมาถึงได้เทศมันก็ด้เรื่องเนะี่ยคนหิวมันไม่ฟังธรรมะ เพราะมันมีโรคโรคไปลว่าเสียแทงชิคัตฉาปรมารคธาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่ยจัดตรงนี้ในเรื่องนี้แหละเมื่อหิวทงกายแล้วธรรมะมันก็ไม่เข้าเลี้ยงเขาปอนแล้วไปสอนธรรมะตรงนี้ฟังให้ดีนะครับถ้าเขาอดอยากยากจนไฟไหม้นะ้ำท่วม แกอาวิสถานได้แต่ต้องให้ธรรมะกำกับสอนไปด้วยให้แต่สิ่งของอย่างเดียวเราก็คือให้อาวิสถานอย่างเดียวเราเป็นกรมประชาสงเครานะห์วัดไม่ใช่กรมประชาสงเคราะห์วัดสงเคราะห์เท่าที่ให้เขาอิ่มและฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราหยุดโดยแค่ให้ทุนการศึกษาเด็กทุกปี แต่ไม่เรียกเด็กมาประชุมเลยว่าก่อนรับทุนเนี่ยนะอบรมธรรมะกันก่อนวันสองวันก็ยังดีแจกทุนลูกเดียวนั่นแหละครับอามิสถานไม่ต่างจากกรมประชาสงเพราะ์แต่ถ้าเราก่อนแจกทุนเนี่ยอบรมเด็กให้รู้คุณค่าของศาสานา รู้จักการตัดอยู่วัดวาอารามให้ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขามีเด็กและเยาวชนมีธรรมะนั่นคือให้ทรรมธานไปด้วยตามอย่างยูเรจ้าได้ทำเราไปจับแต่ศ า, าสนะสงเพราะห์โดยไม่สอนธรรมะเนี่ยถือว่าทำไม่ครบครับการแจกธรรมะให้เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสมคัญ เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติอันนั้นเขาพูดแต่ถ้าพูดในบนนรรดาพระอัเยาวชนคืออนาคตของพระศาสนาครับใครจะมารักษาพระศาสนาวัดสีมืนวัดเข้าไปแล้วเอาหลมตามาสืบอายุพระพุทธศาสนาหรือครับ เราต้องเอาเด็กและเยาวชนเข้าวัดมาบวชเป็นสามเณรเป็นเตรียมทายาทดูแลรักษาพระศาสนาที่สร้างอย่างโอฬานอย่างนี้ต่อไปแต่เราก็ดูเบาอีกเราไม่ค่อยใส่ใจเด็กและเยาวชนเพราะเด็กไม่ค่อยมีอามุธสถาน ไม่มีกันเทศเลยไปเทศเอาตอนไหนงานศพตายไปแแ้แต่ว่ากันเทศดีนะแล้วฝากศาสนาไว้คนในโรงหรือไงละ่ะไม่ใช่ก็สำคัญตรงนั้นดูแลคนแก่ด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงอนาคตของชาติอนาคตของศาสนา เราต้องสร้างคนดีไว้ดูแลประเทศชาติของเราทั้งดีทั้งเก่งปกทรองประเทศไทยทั้งดีทั้งเก่งเป็นกำลังรักษาพุทธศาสนาในประเทศไทยและส่งพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกดูแลรักษาวัดของท่านแต่น้าเสียดายว่า เราไม่เคยใส่เราเนี่ยนะก็รสืบพันธเนี่ยนะอยู่ในวัดโรงเรียนก็ยังอยู่ในวัดด้วยโรงเรียนทั่วประเทศส่วนมากประชาบาลตั้งอยู่ในวัดแต่ไม่เคยได้ไปสอนในโรงเรียนหรือเอาเด็กนักเรียนเนี่ยมาปฏิญญามาฟังเทศฟังธรรมฟังโอวาทของเจ้าว่าตามคนต่างอยู่นะ ไม่ต้องคิดไปสอนโรงเรียนนอกวัดก็ได้วัดไทวัดมานเนี่ยนะสอนเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งไม่ใช่จะสอนทฤษฎีแนะปฏิบัติด้วยวัดวิสาขะมาเวีเทียนกันมาฟังเทศฟังธรรมวันสงการมากรเจดีไซน์อะไรก็ว่ากัไปดีครับให้เด็กเขาสนุกด้วยเยาวชนด้วยนะครับหนุ่มสาวด้วยไม่ใช่แต่เด็กอย่างเดียวถ้าทําอย่างนี้กันทุกวัดนะครับ เด็กมันจะไม่เหมือนทางศาสนาไม่ใช่เผู้ใหญ่เทากว่านี้เนี่ยจะไม่เหมือนทางศาสนาขนาดนี้จะไม่นิมนต์พระหลายรูปไปจำพรรษาที่สันติปาลาลามต่างแบบวัดมหาธาตุสมัยก่อนโอุนฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเราสอนเด็กและเยาวชนอบรมกันเขาจะมาเป็นตำลังของขาศาสนาด้วยทั้งอุปถังจากภายนอกแลามาเป็นภิกษุบริษัทในอนาคตทำไมเราจึงต้องให้ความสนใจแก่แกเด็กและเยาวชนเด็กคือใคร เยาวชนคือใครตามสหรประชาชาตินะครับตั้งแต่แรกเกิดก็มาเป็นเด็กภาษาบาลีเรียกว่าก um ุมารกุมารกุมารีนะนั่นแหละเด็กกุมารเนี่ยถ้าหนุ่มสาวก็เป็นมานพใช่ไหมหนุ่มน้อยทหาระคนหนุ่มสาว เด็กตั้งแต่แรกเกิดถ้านเด็กก่อนนะโตะขึ้นหน่อยก็เป็นเด็กจนอายุสิบสี่เป็นเด็กหญิงเด็กชายเวลาประกาศคนไหนเด็กหญิงเด็กชายนะเรียนมต้นเล้นะอายุสิบสี่ประเทศไทยเราเป็นเด็กนะจนถึงคลานเนี่ยพออายุสิบห้าหรือสนะิบสี่เนี่ยจนถึงยี่สิบห้า เป็นปะเภศเป็นวัยรุ่นเยาวชนคนหนุ่มสาวสางคมชาติเขากำหนดอย่างนี้ในประเทศไทยก็แบบนี้แต่ในสิงคโปร์นะเยาวชนคนหนุ่มสาวตั้งแต่อายุสิบห้าถึงสามสิบห้าบางประเทศสามสิบ ไม่เท่ากันแล้วเราไปสอนเด็กเยาวชนเนี่ยเพื่ออะไรต่างจากสอนผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงเยาวชนเด็กและเยาวชนเนี่ยในแต่ละยุคก็สอนไม่เหมือนกันยุคเราเป็นเด็กนะครับมันมีลักษณะอย่าง เด็กในยุคปัจจุบันอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเด็กและเยาวาชนในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่สมัยเราเป็นเด็กนะครับเด็กในยุคนี้ในยุคปัจจุบันเราเรียกว่ายุคไอทยุคข้อมูลข่าวสาร เด็กมันเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์นิ้วมาเนี่ยพ่อแม่เห็นมันสนมากก็ให้มันกดเล่นเกมกดเวลาผมมีงานมหาจุฬาโทรไปสั่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคาวาะเนี่ยะครับตอนเย็ น, ยนตอนบอดท่างเนี่ยเดี๋ยวจะประชุมมีสาขาคุณทำอะไร เ, เตรียมการอะไรสั่งงานพวกนี้เ่ยครับเจ้าหน้าที่มหาจุฬาไม่ค่อยรับโทรศัพท์ครับ บางทีรัต ก, ก็มีเสียงอ๋อเอ๊ะโอเคลูกแย่งพูดหมดก็ถามว่าแล้วทำไมไม่รักโทรศัพท์ไอ้ตัวเล็กมันเอาไปเล่นเกมหมดสู้มันไม่ไหวกี่เครื่องกีเครื่องพังหมดเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมันเกิดมากับเทคโนโลยีไอที IT นะครับอินโฟมเดชั่นเทคโนโลยีเทคโนโลยีสื่อสารมันมี ทักษะความสามารถต่างกันยุคเราซึ่งเล่นเล่นหมากลากล้วยอนยะแล้วมันเกิด อ, อะไรครับมันมีโลกของตัวมันเองเด็กเด็กและเยาวาชนเด้วยนะคนหนุ่มสาวไม่เคยสนใจใครแล้วครับมันก้มหน้าดูอย่างนี้เคยสังเกตไหมพ่อแม่พาไปวัด น, นะพ่อแม่ก็สนทนานกับเราเนละ จะเลูกมาฝากมันอย่างนี้มันไม่สนเลยมันแชค็คมันอะไรกพะมันก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้ทั่วโลกและการที่เพราะความที่เด็กเนี่ยนะมันก้มหน้าก้มตาอย่างนี้มันไม่สนใจเพื่อนมนุษย์ห <c oughs> มีปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์มีปัญหาในจริยามารยาทเพราะว่ามันไม่ได้ ปฏิบัติตนต่อคนอื่นต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้มันถูกต้องไม่มีสัมมาคารวะเจอพระก็ไม่รู้จะตาดจะไหวยังไงวิ่งหนีรูดียวอ ย, ย่ามาชนนะห่างไว้เป็นดีปลอดภัยเพื่อปฏิบัติไม่ถูกเดี๋ยวแม่ด่ากลัวแล้วเขาอีก <c oughs> แล้วพวกนี้เนี่ย <c oughs> เมื่อมัน อยู่กับเครื่องมือสื่อสารอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันรู้หมดเมื่อรู้หมดมันก็เลยชอบเล่าให้เราฟังเพราะนึกว่าหลวงพ่อหลวงพี่ไม่รู้ <c oughs> เด็กทุกวันนี้จึงต่างจากยุคพวกเราอย่างเห็นได้ชัดคือเด็กมันช่านพูดท็อกเทตี ขาวนั้นขาวี้เรื่องตาราเรื่องอเจ้าเรื่องอะไรหนังลุงพ่อไม่รู้เรื่องมันมาเล่าให้เราฟังหมดเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนยุคเรานะครับปนมมือเงียเราอย่าไปว่าเขาท่านเขาแบบช่างพูดช่างแสดงออกท่านไม่เห็นเลยอนไอเด็กก็ไปออกทีวีเดี๋ยวนี้เลยรายการอะไรก็ตามแบบเด็กมันหูสามขวบสี่ขวบ พูดเจ้าเจ้าเจ้านี่คือยุคนี้คนระับเมื่อมันเด็กมันรู้เยอะมันช่างพูดเราต้องให้มันแสดงออกจะมาจับนั่งกรรมฐานทันทีเนี่ยมันตายแน่ๆทนะ่านเขาบอกว่าวิธีให้เด็กนั่งกรรมฐานเนี่ยมันจะต้องมีอีกแบบหนึ่ง พระนานาชาติที่เขามาประชุมกันที่วิสาขะเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กนั่งเงียบ ๆ, ๆเฉยๆได้ไหมมันไม่ได้มันจะต้องลุกเดกลุกกมันลิงมีวิธีหนึ่งอยากจะให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยให้มันทำกรรมาฐานแบบเด็กท่านเรียกว่าโฟนเมดิเทชันกรรมาฐาน กับโทรศัพท์กรรมาฐานมีโทรศัพท์เป็นอารมณ์ใส่ใส่พุทธประวัติเข้าไปกระตูนถ้าเด็กๆ น, นะเพลงธรรมะเข้าไปห้ามมันไปนเปิดอย่างอื่นนะทำาว่าเราตรงนี้ p a d พดเฉพาะ น, นะหรือมีเกมอะไรกับที่าศาสนาเนะี่ยใส่ก็ไปเถอนะท่แล้วให้มันดูเนะี่ยมันดูได้ทั้งวันแต่ทุกวันนี้ที่เขาดูเนะี่ยเขาไปดูเนระื่อง อธรรมะที่มันไม่ใช่ธรรมนะนั่นแต่ถ้าเราผลิตสื่อสำหรับเด็กแล้วแบเด็กเยาวาชนที่มันปกกับไวแต่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเรื่องนีิทาเรื่องอะไรต่างเป็นกระตูนเรื่องไหวเด็กจะอยู่ได้ทุกงวันเสียดายว่าเราผลิตน้อยไปหน่อยถ้าเราผลิตเยอะจะเป็นประเด็กประโยชน์แก่เด็ก โดยอาศัยโฟนเมดิเทชันไอแพ i t a t i o n iPhone m e d i i t a t i o n ลงทุนผลิตซอฟต์แวร์ด้านนี้โปรแกรมต่างๆนี่คือลักษณะของเด็กในยุคนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อมันถือว่ามันรู้มันเก่งเทคโนโลยีมันจะเขาเรียกอะไรหลงตัวเองคอรับอารมณ์ เด็กทท่วโลกเนี่ยจุย้ยแับถือว่ารู้มากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลุกพี่ลุงพ่อแปลงไหมครับสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่เราบางทีบวกเลขยังไม่เคยถูกเลยก็ไก่อะไรกะเขียนอ่านหนังสือสู้เราไม่ทันเราทาไมมันฉลาดกว่าพ่อแม่นะพ่อแม่ทำนาใช่จบมจบป .2 เราเนี่ยป4ป6รู้เอ c ีซีด้วยคนผู้หลังผู้ใหญ่โตขึ้นมาเรียนมหาจุฬารู้มากกว่าเจ้าวานอีกยิ่งมาอรมรบรมหลักสูตรนิยากรนี่เทศสอนเจ้าวาดมันมีทุกยุคทุกสมัยเลย <c oughs> เด็กรุ่นนี่มันก็คิดแบบเดียวกับเรารุ่นเรานี่พวกไดโนเสาร์นี่ลุงพี่จะมาสอนอะไรกันจนกระทั่งมีคากรอนว่าเราคิดว่าบิดาเราเฉลิมฉลองคอโง่คิดว่าบิดาเราเฉาิมฉลเราเป็นคนมีปัญญาจาะหาหน บุตรของเราดีจริงยิ่งขึ้นไปจิตใจเขาคงคิดเหมือนบิดาพ่อเคยโดนถูกปู่มาว่าโง่พอถึงลูกเรามันก็ว่าเราโงอ่อีกจิตใจเขาคงคิดเหมือนบิดาตอ น, นเด็กเด็กและวัยรุ่นก็เหมือนการมองผู้ใหญ่คล้ายๆอย่างนั้นนลยไม่รู้เท่าน อันนี้เราจะไปรับเกียรเขาเราต้องใกล้เข้าใจเขาเมื่อเข้าใจเขาแล้วทำยังไงครับเด็กและเยาวชนเขากำลังสวงหาตรงนี้แหละที่สารสนาจะเข้าไปเขาอยู่ในวัยทดลองใน ว, วัยแสวงหาอัตลักษณ์ของเขา เขาจะเรียนอะไรจะเป็นคนอย่างไรกำลังสร้างกำลังสร้างตัวเองชื่อว่าไม้อ่อนดัด ง, ง่ายเขารอการดัดจากพวกเราเนี่ยแหละแต่เราไม่ไปดัดตอนนี้แล้วไปดัดตอ น, น, นมันไม้แก่แล้วมันจะได้เรือดที่ไหนล่ะครับเด็กๆเกนี่ยมันพร้อมที่จะฟังเราเพราะมันกำลังสวยขัน ทำไมฉันทำอย่างนี้แม่ท่ด่าฉันพ่อท่าด่าฉันทำไมเพื่อนไม่รักฉันเขาสับสนท่านเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าทำอย่างนี้เพื่อนชอบแต่แม่ด่าพ่อด่าเขาแสวงหาอะไรที่เขาเรียกว่าคุณค่าที่มันจะทํำให้เขาเป็นที่ยอมรักเป็นที่รักของเพื่อนลอ้นลอผิดล้อถูกบางทีเสียผู้เสียคน เพราะอยากให้เลื่อนยอมรับเป็นติดยาเสพติดเขาไม่รู้แต่ในเมื่อเพื่อนทุกคนมันเป็นอย่างนั้นทั้แก๊งอย่างนอยากเป็นวีโร่อยากเป็นวีร่ปรุษก็ไปทำต่ำตางๆกันไอทำต่างๆกันเพราะเขาไม่มีความรู้ในทางธรรมเนี่ยเราไปโทษขเขาก็ไม่ได้ต้องโทษว่าพ่อแม่ไม่สอนใช่ไหล่ะ เราเมื่อพ่อแม่ไม่สอนเราก็ต้องไปช่วยกันสอนในโรงเรียนอย่างเงี้ยสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดทำไมคุณยินกจะเป็นที่รักที่ยอมรักให้เด็กมันรู้เมื่อเด็กรู้แล้วเขาจะเลือกทำในสิ่งที่เราสอนและน่าจะกลายเป็นลักษณะนิสยัยคนดีคนเก่งแต่ถ้าไม่มีใครสอนลงลอคิดดูนะ พระไม่เข้าไปสอนไม่ไปเทศน์ไม่อรแบรบมเด็กมันก็โตกันเหมือนอะไรกับือป่าโตโแต่โตนะแข่งขันกันอะไรการพูดวายหมดเนื้อเยอะคือกำลังเยอะแต่ความรู้ว่าอะไรดีอะไรช่วอะไรถูกอะไรผิดมันไม่มีมันก็คุนกันอยู่นัน่นแหละและไม่แบ่งปันกันด้วยเพราะมันไม่มีน้ำใจนะขับรถบนถนนเนี่ยใส่หน่อยก็ไม่ได้ เชี่ยวนึกเียวหนึน่งกราบรถกู้มันถือรถเป็นสาระนะต้องให้คนถือจารกบ แ, แล้วมันก็กราบด้วยหรอเปล่าแล้วอย่าไปว่าเขาเย่ยนี่คือแค่ตัวอย่างของคนในสังคมที่เขาไม่รู้ว่าคุณค่าสิ่งที่ดีงามมันอยู่ตรงไหนอะไรคือสิ่งที่ดี ถ้าเราไม่ช่วยสอนเนี่ยเด็กมันจะโตโดยฟ้ามไหนคือไม่มีแกนแห่งควาดีปล่อยลูกหลานเราเติบโตกายกายเป็นอัฐาเนี่ยเราเพราะว่าที่จิตเขาตอนที่เขาให้เราสร้างเขาเราเราพกบม่มเขาดัดเขาเนี่ยเขาต้องการเราไม่ได้สอนเขาไม่รู้เราไปอยู่ที่ไหนเด็กในประเทศไทยตอนนี้มันหนึ่งในห้าของประชากรของชาติ ประชากรโลกตอนนี้มีห้าหกหกพันล้า น, นเป็นเด็กเยาวชนซะหนึ่งพันล้านคนแล้วคนเหล่านี้แหละจะมาเป็นอนาคตของประเทศไทยของโลกและเราไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันสั่งสอนนะ่ะมันเสียโอกาสไม่เหมือนรุ่นปู่ย่าตายายเราที่พ่อแม่เขาเอาใจใส่เขาสอนทรมาดี แล้วถ้าเด็กไม่ดีมันก็ก้โทษพ่อแม่เหรอโทษพวกเราด้วยเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้ า, ถาลูกเฉาโชน <c oughs> เขาโทษพ่อโทษแม่สิฟแฟเฉาโชนเขาโทษครูไม่สอน ประชาชนเฉาโชนเขาโทษพระปูธรพระปูทอนคือะเจ้าแผ่นดินท่านคนในประเทศเฉาโชนเขาโทษปูทอประชากรทั้งหมดเฉาโชนเขาโทษเจ้าปูพระเมธีเพราะฉะนั้นหลบไปตรงไหนท่านก็เจอท่านไปผู้ยักษ์ก่ไม่ดีเขาก็โทษมาอบรมไปสอนไปเรื่อยๆเขาก็โทษผมท่านนี่เลย อบรมยังไงเขาไม่โทษพราะพวก ท, ท่านที่สอนไม่ดีใช่ไหมประสานมาเนี่ยมาถึงเมื่อโบราณก็ไม่ได้อะไรเลยเยพราะฉะนั้นอะไรไปบ้างกับท่านเด็กก็จะมาโทษมาหาจุฬาอาชิการพอดีท่านมานั่งพูดกับท่านเด็กมาโทษวันต่ตอตอเนะี่ยเมื่อเด็กเขากำลังสร้างบุคลิกลักษณะาาของเขา เราเข้าไปด้วยเมตตาด้วยการุณาอี้ครับอย่าไปหมันไส้พฤติกรรมมันเปแปดแทงแผงไปสมน้ำหน้าเขาแล้วมันจะมีผลในการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีมากบางทีเราโแต่ไปสอนวิชาการให้เขาว่าอะไรดีแต่เด็กไม่ฟัง ถ้าเราไปเอาตัวอย่างนิดๆหน่อยๆเน้นธรรมะว่ามันคือธรรมะอะไรให้เขารู้เนี่ยคืออย่างนี้ครับผมไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ต่อต้านมาสอนธรรมะไม่ดีนะครับแต่มันต่อต้านคือว่าเขาไม่รู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรในชีวิตจริงต่างหาท่องไปเลยครับเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาท่องไปเถอะแต่เด็กก็ไม่ได้เป็นคนดีแต่ถ้าเราบอกว่า การที่เวลาไหนก็ตามที่เด็กเขายิ้มให้เพื่อนหรือช่วยประทองเพื่อนที่ล้มเธอรู้สึกอย่างไงหรือเราเอากรณีศึกษาก็ได้ฉายภาพให้ดูเนี่ยเวลาเพื่อนล้มแล้วเราไปประทองเขาขึ้นมาเธอรู้สึกอย่างไรสงสารเห็นใจเพื่อนนี่แหละความรู้สึกนี้แหละกักรุณาบอกสิครับอย่าไปบอกว่ากัรุณามาจากหลักสามมิติเาไว้ยังไง ว่าโหนี่ในใจนี่การรู้นานมาตรงไหนเธอเรียนแล้วว่วงไหม่วงไม่รู้เรื่องนั่นแหละนิวรปราการขวางกั้นระหว่างความรู้ของครูบาอาจารย์กับกับพวกเธอเธอมีความว่วงเป็นถีนะมิะัะมิถะถึงความว่งวง ถีนะก็คือเรียนธรรมะไปทำไมมันไม่ได้สอบเอ็นซานเก่งไปก็เท่านั้นแหละไม่มีใครยกนอกนี่คือถีนะแล้วจะแก้ยงไงเราก็ต้องอธิบายทีนะั้นสิ่งที่ผมอยากให้สอนเนี่ยคือเราส่งจะไปพันแปดร้อยรูปเลยนะอบมกันเลื่อยแต่มันต้องสอนให้ไปถึงจิตใจ สตคิคืออะไรไม่ต้องบอกว่าสติคือความระ้ึกได้อะไรเงนี่ตอนเนี้หรือกำลังที่เรียนกันอยู่คืออะไรสมาธิคืออะไรที่นั่งฟังอยู่นี่มีสติไหมมีสมาธิไหมมีแล้วอะไรมันแอบความรู้สึกหรือความคิดยังไงเรียกว่าสติเรียกว่าสมาธิแล้วเราบอกว่านี่มันดีนะเธอต้องมีบ่อยๆนะเด็กเขาก็จะรู้เขาจะฝึกสติได้ ถ้าเธอหลบไอ้มันไม่ประสบัเหตุเนี่ยนะรอดมาแต่คนอื่นประสอบอเหตุเนี่ยอีกคนหนึ่งใจลอยเดินไปตกหลุมตกร่องเนี่ยเขาไม่มีสติแล้วเธอรอดมาสติมันดียังไงสอบได้คะแนนดีเพราะความจำดีเนี่ยสมาธิมันช่วยยังไงสมาธิมันทำให้เธอผ่อนคลายนะไอ้พวกพลิงเครียดเอาแต่ท่องท่อ ง, อ ง, องนนอนไม่หลับทั้งคืน รุ่งช้าไปเข้าห้องสอบจะสอบสัมพันธ์ด้วยตกชี้โทษของปากคุณสร้างแล้วอาจารย์จะทำยังไงแล้วพวก่งนี้ผมจะสอบเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคมีคนวิธีในการนำจิตเขาไม่ต้องเป็นกรรมฐานอะไรมากมายแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาเรียก บ, บริหารจิตและเจริญปัญญาบริหารจิตยังไงให้มันเข้มแข็งให้มันอดทนให้มีสมาธิและมีปัญญา ถ้าครูบาอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยสอนเด็กให้บริหารจิตให้มีเมตตาโน้นาจารต์เมิดขาและมีปัญญาในการเรียนเก่งขึ้นะสมเป็ทำให้ได้ถามว่าท่านจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่จะเอาเวลาสอนจิตภาเพเขาให้หมดแต่ถ้าสอนอย่างที่ส่วนใหญ่สอนทุกวันนี้เนี่ยเด็กไม่ได้เปแบบแลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรก็ตาม เขาก็ตัดเวลาพวกท่า น, นอย่าประมุเลยไปทรมานเด็กเ ป, ะปะ่าๆไม่ได้อะไรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเด็กเนี่ยมันเหมือนกับบังทีมันไม่ใช่อยู่ที่การสอนอย่างเดียวสอนให้รู้ก็ช่วยเปลี่ยนลักษณะหรือสร้างอัตลักษณ์ให้เขา ทำให้ดูกันด้วยและก็อยู่ให้เห็นแต่ละอย่างเนี่ยสอนให้รู้ทำให้รู้อยู่ให้เห็นเจนไม่ได้สัมผัสเลยมันสอนทึงนั้นนะครับและต้องการให้เปลี่ยนชีวิตคนตอนที่จัดประชุมวิสาขาโลกเราพูดกันเรื่องสอนเยาวชน และเขาก็เอาเยาวชนคนหนึ่งมาพูดบนเวทีนั่นมันมีพลังมากแต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเขาเป็นคนจีนไปเรียนอยู่ในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโ ก, โกเป็นเด็กนุก่มชื่อในหวังในหวังมาเล่าประสบการณ์ตัวเองในตอบพระผู้นำั่วโลกเป็นพันเนี่ยเขาเล่า พร้อมกับมีภาพขึ้นจอด้วยเรื่องของเขามันมีพลังมากเพราะมันมาจากชีวิตจริงเขาเป็นคนจีนพ่อแม่ร่งรวยอยู่ในจีเนเลยนะครับเด็กหนุ่มพ่อส่งไปเรียนที่สหรัฐมหาวิทยาลัยชันน้นนำแสดงว่าเขาต้องเก่งภาษาอังกฤษมาตั้งแต่จีน ไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนในมหาวิทยาลัยจบปริญญาเนี่ยปริญญาตรีได้คะแนนดีมากได้งานทําที่ซานฟรานซิสโกเงินเดือนแพงครับเด็กกลุ่มคนนี้ได้เงินเดือนแพงในซานฟรานซิสโกแล้ววันหนึ่งเขาไปเห็นปอบ แม็กกาซีนของวัดน่หนังสือหนังสือที่วัดเขาออกในนิยสร์เป็นวัดแบบจีนนะครับวัดแบบจีนเนี่ยเขาขึ้นหน้าปกเป็นภาพพระจีนสวมชุดแบบมหายางสีเทาๆกลาง บ, บนถนนฮะกลาง บ, บนถนน กราบแบบอัสดางพระปณิบไม่ใช่เบนจานะกราบแล้วเอาตัววัดถนนไปด้วยนอนแบบตัวนอนเนะี่ยเท้าอยู่ตรงนี้หัวอยู่ตรงนี้แล้วก็ลุกเค้น่อนาบเสร็จก็ไปยืนอยู่ตรงมือที่ศีรษะกราบไปอย่างเงี้ยวันหนึ่งไม่รู้กี่กิโลนะของเขาไม่ใช่เดินผดุงอย่างเรานะ กราผู้ดงปไปเลยแล้วผู้ที่กราบได้เขาเขียนประสบการณ์ว่าเขาได้อะไรทักเลยได้ประสบการณ์อะไรดียังไงเขียนเป็นภาษาอังกฤษเด็กหนุ่มคนนี้อ่านแล้วประทับใจไปวันนดทขาไปที่วัด น, นั้นแหละ ไปสนทนาทำไปคุยกับตาเลือดตัวดมของท่านก็แรงประดางใจอยากจะทำแบบทาบ่าคแต่แบบวัยรุ่นไม่กลา้าครับแต่จะปั่นจักรยานในอเมริกาเนี่ยตะวันออกถึงตะวันตกเนี่ยนั่นเครื่องบินห้าชั่วโมง จากวอชิงตันดีซีไปถึงเอลเอเนี่ยเพื่อบินบินห้าชั่วโมงท่านลองคิดว่าไกลขนาดไหนเราบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ชั่วโมงเดียวห้าชั่วโมงแกลา อ, าออกจากงานที่รายได้นีในอเมริกามีเป้สะายหลังปั่นจกักรยานทั่วอเมริกา ใหม่ๆนอนโรงแรมตอนหลังบอกไม่เอาไม่นอนโรงแรมละขั้นไหนนอนนะมีสวนนอนในสวนขออนุ ญ, ญาตเจ้าของมีครอบครัวไปขอนอนกับเขาจัสนามหญา้าหน้าบ้านไปแกก็บอกว่าในอเมริกาเนี่ย มันบางจุดนะั้นบางจุดนอนข้างนอกไม่ได้เพราะมันเป็นเมืองต้องไปนอนลุกไม่่ด้ตำรวจจับมันต้องมีรั้วรอบขอบชิดแกก็เคาะประตูบ้านขอพอเขาเปิดแล้เขาก็ขอนอนพักเขาไปพัก แล้วเขาไม่ได้เดินทางเฉพเขาในอเมริกานะหลังจากนั้นในเอเชียในอะไรต่างแกมปั่นจักรยานไปสิบแปดประเทศตอนแรกไปเคาะเนี่ยโดนไล่ปฏิเสธไม่สบายใจเลยเราทำไมไม่มีใครต้อนรับคนแปลกหน้าใครก็อยากได้พักสนะิบใหม่เนี่ยสิบบ้านเนี่ยเคาะสิบบ้าน จะเปิดให้พักในห้องรับแขกหรือที่รั้วภานในรั้วบ้านสักหนึ่งหนึ่งในสิบแล้วแกก็จะผิดหวังที่โดนปฏิเสธกับเคาะไปเรื่อยจนในในที่พอทำไปเรือ่อยๆแกเกิด ก, การเรียนรู้ถ้าเราไปเคาะด้วยความคาดหวังว่าเขาจะเปิดเราจะผิดหวัง ต่อไปนี้เราจะพร้อด้วยความรู้สึกว่าจะได้พบหน้าจะพบา้านได้ทักทายกันบ้างเพราะเขาคงจะเหงาอยู่คนเดียวไม่เคยมีใครประตูมันูร้รอบขอบคิดฝรั่งเขาจะอยู่ตัวใครตัวมาันเราไปก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงอยู่ดีมีสุขแผ่เมตตาไหนะแล้วถ้าเขาปฏิเสธก็ อ, อนึกแ่ดีว่ายังไงเราก็ได้พบ ขอให้เขาเจริญเจริญต่อไปเขาแผ่เมตตาแล้วแผ่พอแผ่เมตตาอย่างนี้ทุกบ้านนะโดนปฏิเสธเขาไม่ได้เสียใจเลยเขาถือว่าได้ได้ทําความดีแล้วให้โอกาสในการที่เขาจะได้อานุเคราะห์สพเพราะทําสักข้าววัตถุ ก, กับเราเราก็แผ่เมตตาให้เขาเชื่อเปยท่านจากพอคิดด้วยแผ่เมตตาอย่างนี้โคงสีหน้ามันเปลี่ยนมัน จากที่ว่าสิบเปิดหนึ่งเนี่ยลดลงมาเรื่อยไปย้ายไปเรื่อยเนี่ยคนบางทีไม่ถึงห้าแล้วเปิดอ่ะต้อนรับอ่ะการแผ่เมตตามันเกิดขึ้นเกิดผลทันทีเลยอันนสงส์เมตตาส0ประ์ปารานี้นเพื่อนบริวิทย์เขาเห็นเลยแล้วพอบางแห่งเขาพูดว่าที่ริมทะเลที่ซานฟรานซิสโก เพราะสิบหลังตอนนั้นเขายังไม่ได้เจริญเมตตาเท่าไหร่เพอาะสิบหลังในเมืองเปิดหลังเดียวแต่ที่นั่นนี่ยเพราะไปยอกแยกหมดไม่มีใครเปิดเลยในเมืองจนกระทั่งมีเปิดรักหนึ่งคนกำลังเมาท่านเจ้าของบ้านเมา เลยเปิดประตูรักคนแปลกหนะ้าแล้วพอสางเมาก็ถามว่าใครให้บุญเข้ามามานอนอยู่เลันจนะก็บอกคุณเองครับเปิดเอ้ยเราเมาป้าอกว่าทั้งคืนแกไม่นอนเลยแกเดินขึ้นถึงลงมาดูพระอลหินแล้วแกก็บ่นว่าฉันเปิดทักคุณเข้ามาได้ยังไรไม่น่าเปิดเลยแกก็ สักพักพอแก่สางเมาก็ทำไงลนะ่ะแกแกโบนให้ฟังที่แกเมาไม่ใช่อะไรลูกชายนะทะเลานะกันนี้หายไปจากบ้านเลยรุ่นคุณเนี่ยไม่กลับมาอาจจะเป็นเพราะเรากำลังเมาก็เลยเล่เหมือนว่าคนเหมือนลูกชายบ้างเลยเปิดเขาปทีนี้แกก็เล่าเรื่องความทุกข์ของแกไม่เคยคุยให้ใครฟัง เล่าเรื่องลูกชายเรื่องอะไรต่างระบายเสร็จแล้วบอกให้ช่วยสวดมนให้ลูกชายเขียนด้วยเพราะลู้เป็นพุทธแกเป็นคลิปอ ย, ย, ย่างนี้พุทชายคนนึงสวดมนต์ให้ลูกชายเขาด้วยเด็กก็สวดมนต์ให้เด็กลุงคนนี้พอตอนเช้าลาขาดลาจากกันเจ้าของบ้านน้ําตาไหล ไอ้ขี้เมาน้ำตาหลทำไมร้องไห้ล่ละคุณปลื้มใจตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ทำความดีเลยสักอย่างเดียวครั้งนี้ได้ทำความดีกับพื่นี่แหละให้เธอมาพักไอ้ที่ว่าเราให้คนธอรมดาได้ทำตามสมเพ้อนี่คิอจริงๆสมเพ้อโดยที่ ไปพักไปคุยอะไรเนี่ยยังไม่หอตอนหลังเริ่มรู้แล้วครับไปต่างบ้านต่างเนี่ยคนมันเหงาเหงาไม่ต้องพูดเลยนะให้ฟังอย่างเดียวนี่คือสงเคราะห์ให้เขาระบายดีระบายคนแก่กหน้าดีมีทางให้ก็ินทางไม่เป็นที่เป็นไผย กลายเป็นว่าเราไปส่งเคราะ์ในการเป็นผู้ฟังที่ดีเด็กมันจะเกิดการเรียนรู้มาเองท่านเด็กกลุ่มเนี้พอฟังฟังไปที่ไหนครับไปช่วยส่งเคราะแล้วบอกว่าเวลาที่ฟังดีที่สุดเนี่ยบางแห่งได้ไปพักที่บ้านนะท่านทานข้าวกับเขาด้วยตั้งแต่ทานข้าวกับฟังอย่างเดียวแหละบนไทถ่้็ไดะผู้ให้เราฟัง แต่ความเห็นรูปเห็นใจเกิดตอนไหนตอนล้างจานกินข้าวเสร็จแกเข้าครัวไปช่วยเขาล้างจานล้างด้วยอย่างมีสติแบบเส้นอะล้างจานไปมันเกิดความสัมพันธ์ทางจิตใจง่ายที่สุดเลยตอนที่เขาทํางานแล้วเราไปช่วยงานแล้วฟังเขาพูดแกก็เลยตั้งแต่นั้นมาไปวานใครท้อนไหนแกต้องไปล้างจานให้เขาเด็กคนนี้ย แม้จนะเลิกขี่จักรยานแล้วกลับไปเมืองจีนหลาออกจากงานนะไปเมืองจีนบ้านตัวเองร่ำรวยนะพ่อแม่เป็นเจ้าของบริษัทพอพ่อรู้ว่าลูกหลาออกจากงานด่าเช้าด่าเย็นพ่อนะี่ยไอ้คนจีนอนะโง่ไปหาศาสนาทําไมไปทางนี้ทำไมด่ า, าเช้าด่าเ ป้าบอว่าอยู่ไปอยู่มาเหมือนกับคนตกงานแต่แกมีจิตอาสาลเลยใครมีอะไรก็ช่วยหมดเพราะบ้านมีฐานะดีไปช่วยตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปบ้านไทยพ่อแม่พาไปเลี้ยงอาหารเสร็จไอ้ลูกคนนี้ต้องเข้าไปล้างจานในครัวทุกทีเลยผู้ใหญ่ชมทุกบ้านเลยคนจีนด้วยนี่พ่อเริ่มสังเกตลูกเราเปลี่ยนจริงๆนะ มันไม่ได้ขี้เกียจนะมันขยันช่วยคนอื่นมันยังล้างจานมาเลยอีกเอ้ยคุยให้ฟังหน่อธรรมะเองเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมตอนก่อนจะไปอเมริกาเหยียบที่ไก่ไม่ฟกแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปหมดเลยติดดินอ่ะลูกเศรษฐกุรวยอ่ะสไปเรียนอเมริกาได้ทำไมธรรมะดีอย่างไร ่อเล่าให้ฟังเรื่องรีทรีตนั่งกรรมาฐานในอเมริกาทำยังไงพ่อสนจทใจโดยวันหนึ่งก็พ่อก็อไปลงทะเบียนเลยนั่งกรรมาฐานเขาสมัยที่ลุกที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะมีคนไปจัดกรรมาฐานเก็บสตางด้วยนะวันเจ็ดเก็เรียกรีทรีตพ่อไปลงชื่อ น, นั่งกรรมาฐานพาแม่ไปด้วย มาไม่นาะนดีใจนะพ่อไปน็นนักธรรมพ่อกินเหล้าด้วยติดเหล้าสุราเนี่ยไม่นาะนก็เลิกกินเหล้าเพราะเห็นว่าธรรมะ ม, มันเปลี่ยนรูปนะ้ลองที่จะมันจะดีจริงไหมตัวเองเลยเลิกดื่มสุราปัจจุบนันนี้ปิดบริษัทไปอยู่ชนบท ทั้งพ่อทั้งเม่ทั้งลูกและเขาก็เขียนหนังสือเล่าเรื่องนี้ก็เลยเชิญมาเล่าให้ฟังขึ้นจอพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่มีหูฟังถ้าใครอยากมระภพก็ฟังภาษาอังกฤษก็คาดใจใจากเด็กที่ไม่รู้เลยว่าชีวิตตัวเองจะเป็นอย่างไรกำลังสวยขึ้าไปเรียนถึงเมือง น, นอกครับพบธรรมะ รู้ว่าชีวิตต้องการแค่เนี่ยพอเพียงเลยแลวก็มีควากสุแล้วเขาก็บอกว่าถ้าครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทั้งหลายไม่ช่วยเด็กอย่างนี้ที่สวยงาอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างพวกเขาเนี่ยเราก็ต้องดูแลพวกเขาให้ธ ร, รมามะเกี่ควข้สอนธรรมะซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละแ็นแต่ละที่จะมีรายละเอียดในการที่ จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาใช้เชิยย้อ่างมีคุณค่ามีเป้าหมายเหมือนภาคพระที่กราบถนนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคนนี้เหมือนอาจารย์สุชีพูุณาลุงภาพตอนวนเป็นพระสุชีวูพิกูุอยู่วัดกันมาแตยารา่าเห็นเด็กคนหนึ่งนุ่งเก่งขาสั้นมาเข้าวัดก็สนทนาถรมคุยธรรมะไปสักหั้ต่อไปก็ สอนให้เขาศึกษาธรรมะพอเขาเก่งเรียนจบ ม, มัธยมยอย่างลูกเก่งขาสัน้นเลยไปแสดงปาจักรพรรครัคนชอบมากตอนหลังเป็นเด็กหนุ่มคนนี้ก็บรรยายตลอดเขาเราอ่านหนังสือของเด็กคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้ชื่อสัจเียนโพธินนท์ธรสัจเถียนโพธินันทรรมสอนธรรมะอย่างนี้ เพราะมีครูบาอาจารย์ให้แรงประดานใัญไม่ต้องหลายคนไม่กี่คนนะครับเขาก็จะเป็นกำลังของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาทุกรูป ท, ทุกท่านนะครับที่จะไปทบหน้าที่จุดแสงสว่างให้เยาวชนให้เด็กและเยาวชนให้เขาค้นพบคุณค่าของชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย อย่างไรและในขณะที่ท่านไปช่วยเด็กและวัชนว่าอยู่ยางมีเป้าหมายอะไรท่านก็รช่วยตัวท่านเองดว้วยว่าเราอยู่ไปวันๆนี้เพื่ออะไรไ ม, A N on. ไม่ใช่เช้าเทเรนอนไม่ใช่ชีวิตมันมีคุณค่าในการเป็นผู้ให้สังฆะทุรมัมันเป็นทุรมัมันเป็นภาระทุรนตในศาสนาเพื่อสถาบันชาติานานาาศาสนาพระมหากษัตริย์ เราต้องทำหน้าที่ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอัตเตียติตาสมบัติปรริกิตาปฏิบัติและทั้งทันาธุรักวิปัสนาธุรักและสังฆาธุรัในขณะที่ท่านให้ท่านก็าดา้เพราะการที่ท่านเตรียมตัวจะเทศเนีท่านเดกคนได้ศึกษาได้ปฏิบัติเชื่อไหมในระดับผมเนี่ย ผมจเจตจะพูดแต่ละครั้งผมต้องศึกษาต้องอ่านพนราไตรปิฎอัตถกถาอย่างผมเทศบรรพ้าที่แล้วที่วันปยุยหนึ่งสิบห้าท่านผมจะเทศแปดท่านให้พระนุวันเทศพอผมจเจตเนี่ยเป็นเจ้าว่าสใหมคนยังมีเยอะตอนนี้มากันเต็มหมดยังวิหารค้น์ของเนี่ยท่านที่แล้วเนี่ยเต็มหมดแล้วเวลาผมเทศแต่ละครั้ง คนฟังเป็นหลายพันเพราะมันไลฟ์สดตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจหรอกพอคนมาชี้ให้ดูเนี่ยบงทีเป็นหมืน่นแล้วยังเก็บไว้ในเว็บอีกให้คนมาเปิดดูดหลายหมื่นทุกเทศแต่ละครั้งพระก็มาบอกผมฟังผมทุกครั้งอยากให้แปลเป็นภาษาอื่นด้วย อย่างท่านวอลวิเชราเมธีก็ ม, มาบอกลูกศิษย์ผมอยู่อเมริกาดูผมเทศตลอดมันก็เป็นภาระหน้าที่ของผมในการที่จะไม่เทศส้ำหาประเด็นอะไรใหม่ๆคนน้นในพระไตรปิฎกอัจถริยคัมภีอะไระต่างๆแล้วผมก็มีความสุขในการเป็นผู้ให้อย่างวันนี้ เรื่องที่ไม่มีใครเล่าผมก็ดีใจได้มาเล่าเรื่องเด็กในหวังเลยเพราะเขาสอนเป็นาษาอังกฤษพูดในงานที่สาขาเป็นภาษาอังกฤษไม่มีคนที่จะตั้งใจฟังกับผมสัเกตเมื่อผมฟังแล้วประทับใจผมไม่อยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนั่นแหละครับ อย่างนี้เป็นต้นในการที่เราพูดอาจจะไม่กี่ประโยคแต่มันไปสะดุดใจมันเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคนได้เหมือนภาพหน้าปกหนังสือที่กลาวถนนทำเถอครับอย่างที่ผมก็ทำมีโอกาสผมกับบรรยายเมื่อเช้าไปบรรยายนู่นจากคณะอำเภอตําบวนนัในเขตภาคผมสามจามาังหวัดประชุมร่วมกันที่อายุทยาแล้วก็ไม่ได้ฉันเพลนะครับมาที่นี่ เพื่อมาพูดกับพวกท่านน่เพราะว่ามีความหวังว่าจะให้ข้อคิดอะไรที่ท่านจะไปทำงานเพื่อพระศาสนาต่อไปก็กเข้าฟังรูปไว้ด้วยเวลาเทียนเท่านี้ครับในที่สุด น, นี้ขออำนาจแห่งคุณพรศะศรีรัตนตรัยและคุณกุศลที่เกิดจากธรรมทานที่ท่านทั้งหลายได้ได้กระทําแล้วก็ดีหรือกำลังจะ ก, กระทําต่อไปก็ตาม จงมารวมกันเป็นตาบดเป็นดีชักเป็นพลวัปัจจัยอภัยโอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรขอทุกท่นนกานเจริญว่ำงามไพเูายิ่งขึ้นไปในร่วมธรรมในมงคลสำเร็จในสัมมาสัมพุทธเจ้าประสมจำลอ ง, ง, งหมายสิ่งใดที่เกิดไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสําเร็จสมมโนลดุก ม, มากปราถนาทุกประการ ตลอดการรับงานเถิ <flats>